ตอนที่175ผู้มาทีหลังที่แซงขึ้นหน้าหลหวานมองเขาอยู่นานบางคำพูดนางก็ไม่รู้จะเ อ, อ่ยออกมาอย่างไรดีขณะที่นางกำลังลังเลหยวนเศร้าเหิงกลับทําท่าทางเหมือนจะไม่ยอมเลิกราหากักไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนนางจึงสูดลมหายใจเข้าลึกๆคุณอย่ามองว่าฉันยังเด็กนักเลยถึงฉันจะอายุน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้ฉันก็บรรลุนิติภาวะแล้วฉันต้องการความสัมพันธ์แบบคนรักที่ปกติไม่ใช่รักแบบเพนโตอย่างที่คุณทําอยู่รักแบบเพนโตคืออะไรหยวนเศร้าเหิงไม่ค่อยเข้าใจนัก สิ่งนี้คืออะไรกันคุณรู้ไหมว่าความสัมพันธ์แบบคนรักปกติคืออะไรหลีหวันถามกลับหยวนเซ้าเหิงลังเลครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าความสัมพันธ์แบบปกติคือเมื่อความรู้สึกถึงจุดหนึ่งแล้วก็มั่นหมายและแต่งงานกันนั้นหรือไม่ใช่ที่ฉันพูดถึงคือการจับมือการจูบและหลีหวันพูดทิ้งท้ายไว้แค่นั้นหยวนเซ้าเฮิรงขอเพียงไม่งโง่จนเกินไปย่อมเข้าใจความหมายที่นางสื่อ รักแบบเพนโตหมายความว่าเราสองคนมีเพียงความรักทางจิตวิญญาณเท่านั้นจะไม่มีการสัมผัสทางกายอื่นใดเลยหลีหวานชะงักไปครู่หนึ่งในใจคุณเอาแต่เห็นฉันเป็นน้องสาวมาตลอดใช่ไหมถึงได้ไม่กล้าทําอะไรที่ล่วงเกินเลยสักนิดไม่ใช่หยวนเซ้าเหิงไม่รู้จะอธิบายอย่างไรแน่นอนว่าเขาไม่ได้คิดเช่นนั้นเขาเพียงแค่อยากปกป้องนางแต่ไม่คิดเลยว่าการปกป้องของเขาในสายตาของหลีหวานจะกลายเป็นไร้น้ำยาไปเสียได้ ในเมื่อตอนนี้คุณญิงคิดไม่ตกง้นก็รอให้คุณคิดให้ชัดเจนก่อนค่อยว่ากันหากคุณอยากให้ความสัมพันธ์ของเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมฉันก็ไม่มีปัญหาผู้จบหลีหวานก็ส่งสัญญาณให้เขาขับรถตอนนี้พวกเขาทั้งคู่ต่างต้องการความสงบเพื่อทบทวนความสัมพันธ์นี้ให้ดียวนเศร้าเหิงยังไม่มีทีท่าว่าจะออกรถเขานั่งตัวตรงแล้วถอนหายใจยาวที่คิดว่าความรู้สึกทุกอย่างควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติที่เพียงแค่อยากปกป้องและให้เกียรติเจ้าในแบบของพี่หากมีข่าวหรือเสียหายหลุดออกไปพี่นะ่าไม่กลัวหรอกแต่พี่ต้องคําานึงึงงถเจ้ด้ดวย ปากอยู่ที่คนอื่นฉันไม่เคยสนใจคำนินทาพวกนั้นอยู่แล้วหลีวหวันรู้ว่าความคิดของเขายังค่อนข้างโหโบราณอยู่บ้างหลังจากนั้นก็เกิดความเงียบงันเป็นเวลานานจนกระทั่งหลีวหวันคิดว่าเขาคงจะไม่พูดอะไรอีกแล้วหยวนเซ้าเหิรนก็เอ่ยขึ้นมาอีกครั้งที่เข้าใจแล้วละ่ะหืมนี่น่าเป็นคําตอบแบบไหนกันหลิวหวันเดาใจเขาไม่ถูกนางอา ป, ปากกําลังจะพูดบางอย่างแต่แล้วภาพตรงหน้าก็มืดลง หยวนเศ้าเหิงที่นั่งอยู่ตรงเบาะคนขับโน้มตัวเข้ามาจูบที่มุมปากของหลี่หวานเมื่อเห็นนางไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้เขาก็จูบลงไปอีกครั้งสัมผัสบนริมฝีปากนั้นแตกต่างออกไปมากมันรู้สึกดีจนหลี่หว่านไม่รู้จะบรรยายความรู้สึกนี้อย่างไรหัวใจของนางเต้นรัวเร็วนางต้องพยายามปรับลมหายใจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้หายใจได้สะดวกหยวนเศร้าเหิงดูช่ำชองจนไม่เหมือนคนเพิ่งเคยทำครั้งแรก ลิวันหน้าแดงก่ำหยวนเซ้าเหิงถอยห่างออกไปเล็กน้อยในดวงตาคมเข้มปรากฏรอยยิ้มจังๆแม่นางน้อยคนเมื่อครู่ยังปากเก่งอยู่เลยตอนนี้กับพูดไม่ออกเสียแล้วแบบนี้ใช่ไหมน้ำเสียงของหยวนเซ้าเหิงแหบพร่าแน่นอนว่าพี่เต็มใจเขาเพียงแค่สะกดกลั้นมาตลอดในวัยของเขาตอนนี้ก็เป็นช่วงที่อารมณ์พลุ้งพลานคนรุ่นราวคราวเดียวกันต่างก็เคยมีคนรักมาแล้วมากกว่าหนึ่งคนแต่สําหรับเขานี่คือการมีความรักครั้งแรก แน่นอนว่าในชีวิตนี้เขาก็จะมีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นหลิวันรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นๆที่เป่ารถใบหน้านางลอบปลื้มน้ำลายโดยไม่รู้ตัวคุณคุณเคยฝึกมาก่อนหรือเปล่าอะไรนะหยวนเซ้าเหิงอึ้งไปพักหนึ่งก่อนจะเข้าใจความหมายของนางเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาเบาๆหือๆ้อจะเป็นไปได้ยังไงที่มีแค่เจ้าคนเดียวหยวนเซ้าเหิงยกยิ้มมุมปากตั้งแต่ต้นจนจบก็มีแค่เจ้าคนเดียวไม่มีคนอื่นเรื่องแบบนี้ผู้ชายทุกคนก็ทําเป็นทั้งนั้นไม่ต้องเรียนหรอก หลิวหวานเองก็รู้สึกว่าตัวเองถามคําถามที่ซื้อบื้อเกินไปนางปรับลมหายใจไปส่งชั้นที่โรงเรียนก่อนเดี๋ยวฉันต้องไปหาศาสตราจารย์เสียต่ออึมได้หยวนเซาเหิงคันรับด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนงั้นหายโกรธพี่ได้หรือยังหลีวหวานไม่ได้โกรธนางเทียไม่รู้จะพูดอะไรจึงพยักหน้าตอบไปกันเถอะหยวนเซาเหิงเพิ่งได้ใบขับขี่เมื่อปีที่แล้วเขาขับรถได้นิ่งมากเมื่อหลีวหวานลงรถที่หน้าประตูโรงเรียนชายหนุ่มก็พูดขึ้นอีกว่า เสียวหวานที่ไม่ได้รังเกียจที่เจ้ายังเด็กในทางกลับกันที่กลัวว่าบางครั้งเจ้าจะรังเกียจที่พี่แก่กว่าด้วยซ้ําเราสองคนอายุห่างกันไม่กี่ปีเองคุณมีความคิดแบบนี้ได้ยังไงหลี่หวานมองว่าเขาคิดมากไปเองพวกเขาไม่ได้ห่างกันสิปีหรือ20ปีเสียหน่อยแค่อายุห่างกันไม่กี่ปีเองอีกอย่างอายุทางจิตใจของนางดูเหมือนจะมากกว่าเขาด้วยซ้ําขอเพียงเจ้าไม่รังเกียจพี่ก็พอตอนนี้ไม่รังเกียจวันหน้าก็ห้ามรังเกียจเด็ดขาดหยวนเซาหึงโน้มตัวเข้าไปจูบมุมปากนางอีกครั้ง จะไปยุ่งเถอะวันนี้พี่ต้องกลับไปที่โรงเรียนเหมือนกันไว้พี่จัดการธุรทางนั้นเสร็จแล้วจะมาหาใหม่นะ่ตกลงไหมอึมไปเถอะลหวันลงจากรถมองดูรถของหยวนเศร้าเหิรนขับออกไปจากนั้นนางจึงหันหลังเดินเข้าโรงเรียนทว่าในตอนที่เดินไปถึงประตูโรงเรียนนางกลับบังเอิญเจอคนรู้จักเข้าเหยวนโมไม่รู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้นานเท่าไหร่แล้วใบหน้าของเขาดูแย่มากวันนี้คุณไม่มีเรียนเหรอหลหวานถามขึ้นลอยๆอยมี เวินโมตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยพวกคุณสองคนคบกันแล้วใช่ไหมอืมหลีวันนพยักหน้าและอดสงสัยไม่ได้คุณรู้มาจากไหนดูออกนะหน้าเหวินโม่พูดอย่างมีเล่ใ น, ส, นาสายตาจับจ้องไปที่ริมฝีปากที่แดงระเรื่อของหลีวันปกตินางไม่เคยทาลิสติกเลยริมฝีปากที่แดงขนาดนี้ย่อมแสดงว่าเมื่อครูทั้งสองคนเพิ่งจะจูบกันมางั้นเหรอทำไมฉันดูไม่ออกเลยว่าใครครบกันบ้างหรือว่ามันมีเคล็ดลับอะไร หลิหววันแปลกใจทำไมใครต่อใครถึงดูออกกันหมดว่านางมีความรักนางก็ไม่ได้เขียนไว้บนหน้าผากเสียหน่อยเหวินโม่ไม่มีอารมณ์จะฟังคำล้อเล่นของนางความอ้างว้างในใจมันช่างทรมานนะักเสี่ยววันผมได้ยินมาว่าเขาเป็นพี่ชายคุณเราสองคนไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด ก, กันเลยสักนิดหลิหววันอธิบายข้อสงสัยของเขาต่อให้ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดคุณไม่รู้สึกว่ามันแปลกเหรอเหวินโม่ไม่เข้าใจผมได้กว่าเขาตรงไหนคุณเคยพิจารณาผมบ้างไหม แม้เพียงวินาทีเดียวคุณเคยคิดถึงผมบ้างหรือเปล่าไม่เคยหลหวันตอบกลับทันทีโดยแทบไม่ต้องลังเลนอกจากเขาแล้วฉันไม่เคยพิจารณาใครคนอื่นเลยความรู้สึกที่ฉันมีต่อเขากับคนอื่นมาไม่เหมือนกันเหมือนโม่ฉันรู้ว่าในใจคุณคิดอะไรอยู่ฉันคิดว่าคนเก่งๆอย่างคุณในอนาคตต้องได้เจอคนที่ดีกว่าฉันแน่นอนเราสองคนเป็นได้แค่เพื่อนกันเท่านั้นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เมื่อพูดถึงตรงนี้หลหวานก็ชะงักไปครู่หนึ่งถ้าคุณเต็มใจจะเป็นเพื่อนกับฉันเราสองคนก็เป็นเพื่อนกันต่อไปแต่ถ้าคุณไไมมม่่เต็็ใจจฉััันกะบบงค เหวนโมหัวรอออกมาเบาๆไม่รู้ว่าเขากําลังคาในสิ่งที่หลีหวานพูดหรือคาตัวเองกันแน่การชอบใครสักคนมันห้ามกันไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่ผมทําได้คือการเฝ้าปกป้องคุณอยู่เงียบเงียบรอจนกว่าพวกคุณจะเลิกกันในวันหน้าเมื่อนั้นผมจะกลายเป็นผู้มาทีหลังที่แซงขึ้นหน้าเอง